ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีนั่งในที่รับกับมาทุคามสองต่อสองถามในทุติยอนิยตสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติและอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในทุติยอนิยตสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพัทธบัญญัติ ปเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทธบัญญัติถามมีสาธาระบัญญัติอาศาระนาบัญญัติอยู่หรือตอบมีอาศาระนาบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพัโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาปาติโมกขเทศหขุขเทศทุติยอนิยตสิกขาบทนี้ จัดเข้าในอ <Chris> ุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิฐานุเทศนับเนื่องในนิฐานุเทศถามมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนตอบมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สีถามบรรดาวิบัติ4อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติก็มีเป็นอาจารวิบัติก็มี ถามบรรดากองอาบัติ7กองเป็นกองอาบัติไหนตอบเป็นกองอาบัติสังฆาทิเศษก็มีเป็นกองอาบัติปาจิตติก็มีถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุดฐาน3สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตถามบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปัตตาธิกรณ์ถามบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขขาวินยัย สปฏิญญาตการณะ 3. สัมมุขาวินัยกับตินนวัตถารกะอนิยตะสองสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในอนิยตะกัน 1. ปฐมอนิยตะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองสองทุติยะอนิยตะสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่รับหูกกับหญิงสองต่อสองพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐและผู้มีความคงที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว